นาบุญกับญาติธรรมทุกๆ ท, ท่านที่มาร่วมกันฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันในวันนี้ระยะหลังนี้ก็ไม่ค่อยได้มามีเหตุจำเป็นทุกครั้งที่มาที่นี่ทีไรก็รู้สึกว่ามันมันสบายใจเห็นสถานที่เห็นสิ่งแวดล้อมแล้วก็สบายใจเพราะว่าจะ เราจะได้พูดธรรมะพูดได้เรียกว่าได้ได้ถนัดใจเพราะว่าคนที่มาที่เนี่ยส่วนมากก็มีจิตใจที่น้อมไปในทางเดียวกันทงนั้นน่ะน้อมไปในทางธรรมะไม่เหมือนไปบางแห่งไปบางที่บางแห่งนี่แม้ว่าคนจะมากมายแต่ บางทีเรารู้สึกว่าอืดอัดในการพูดอะ่ะมันไม่ใช่เวทีของเราต้องพูดชักจูงศรัทธาให้เขานตั้งใจฟังธรรมะในที่เราพูดคือเขาไม่ค่อยได้น้อมไม่ได้น้อมมาทางธรรมมีแต่วความสงสัยมีแต่วความคิดมากมายก็ต้องชักจูง ปลูกศรัทธาเขาหันมาสนใจธรรมะตัวนี้มันมันรู้สึกว่ามันขัดขัดกับความรู้สึกแล้วโดยเฉพาะบางแห่งนะที่เขาเชิญไปเนี่ยบางทีถ้าไม่มีผู้บังคับบัญชามาฟังด้วยเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะมีชีวิตชีวาในการฟังเลยเขาก็ตั้งใจแต่ว่ามันไม่ค่อยสงบถ้ามีผู้บังคับบัญชามานั่งฟังอยู่ด้วย โอ้นั่งตัวแข็งตนะานี่โปง่งเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีทานนะหุ่นยนต์ที่ทานมันหมดแล้วไม่ค่อยมีชีตวิญญาณอีกอย่างเหมือนกันมันจึงลำบากในการที่จะพูดคุยชักจูงเข้ามาสนใจในสิ่งที่เราอยากจะนำเสน อ, เ, อเราก็ตั้งใจพูดด้วยใจก็ไม่ได้สนใจเขาเท่าไหร่หรอกถือว่าเราคือผู้ที่ทาหน้าที่พูด ผู้ฟังจะฟังด้วยลักษณะแบบไหนเนี่ยไม่สาคัญไม่ได้คาดหวังจากการพูดในแต่ละครั้งอย่างที่เนี้ยแม้ว่าคนจะมีไม่มากโแต่มันดูแล้วมันทุกคนมีมใจมีใจที่จะน้อมไปทางธรรมะเหมือนกันหมดจึงง่ายที่จะพูดในสิ่งที่ควรจะพูดให้เหมาะกับสถานที่ที่นี้สถานที่เนี้ย จะว่าไปแล้วเนี่ยก็เหมือนอย่างกับเหมือนเวทีเวทีการปฏิบัติธรรมมาทิไลก็เหมือนอย่างกับเวทีการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเรื่องของการเจริญสติเนี่ยมันก็ถนัดอยากที่จะพูดในสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมันแก้ปัญหาชีวิตได้ชีวิตเราเหลือน้อยแล้วทั้งผู้พูดและผู้ฟัง ผู้พูดอาจจะน้อยกว่าแต่คิดว่าเวลาที่เหลือน้อยเนี่ยมันควรจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นสาระฟังแล้วนำเอาไปใช้แก้ปัญหาชีวิตเราเองได้แล้วก็ไปแก้ปัญหาผู้อื่นได้ด้วยอันนี้สำคัญมากในการฟังการเจริญสติเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเลย ถ้าการปฏิบัติธรรมเนี่ยบอกว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราไม่มีสติหรือเราไม่ได้เจริญสติเลยเนี่ยจะเรียกว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมไม่ได้นักปฏิบัติธรรมจุดสำคัญคือมันต้องมีการฝึกเจริญสติเพราะธรรมะทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ จะรวมลงสู่ใจเราได้นั่นก็ต้องอาศัยสติเป็นผู้ที่ชักจูงมาธรรมะจะเข้าถึงจิตถึงใจต้องมีสิ่งที่ชักจูงเข้ามาคือสติบางทีเขาก็บอกว่าธรรมะมีอยู่แล้วในคนทุกคนเคยได้ยินไหม <c oughs> ธรรมะมีอยู่แล้วในกายในใจเราเพราะกายใจเราเนี่ยคือก้อนแห่งธรรมะแต่เราไม่ได้ กลับมาดูตรงนี้เเรามักจะไปสแสวงหาธรรมะจากนอกตัวเราก็จะเจอแต่ธรรมะที่ได้จากการดูและการฟังไม่ได้เกิดจากการสัมผัสรู้เราจึงจะไปต้องพัฒนาพัฒนาเครื่องมือจิ้นในจิตเนี่ยก็คือสติให้มันจเจริญขึ้นมาเพื่อจะนำเอาธรรมะเนี่ยที่มีอยู่แล้วในใจเราเนี่ย แสดงตัวมาให้เราเข้าใจมันต้องปรากฏธรรมะต้องเป็นการปรากฏไม่ได้แสวงหาแสวงหามันก็จะไม่เจอแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นมันเป็นของจริงอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราสติจึงเป็นส่วนสำคัญมากในการค้นหาธรรมะที่มีอยู่แล้วในตัวเราสติก็มีเรามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไป็นสติที่ยังยังเป็นสัจจญาณอยู่ ยังไม่มีการเจริญให้เกิดปัญญาการเจริญสติเนี่ยถือว่าเป็นขนทางการดับทุกข์ถือว่าเป็นตัวมรรคก็ได้เป็นตัวศีลสมาธิ ป, ปัญญาก็ได้น่คือตัวสติเป็นหลักสำคัญเลยแล้วสติเนี่ยยังช่วยป้องกัน ความทุกข์ไม่เกิดขึ้นที่ใจเรานอกจากจะดับทุกข์ไปแล้วยังป้องกันความทุกข์ได้ด้วยเห็นไหมทั้งกันแล้วก็ทั้งแก้แล้วสติเป็นผู้ที่ดับทุกข์ที่ต้นเหตุต้นเหตุเป็ความทุกข์เลยดับที่ต้นเหตุไม่ใช่ดับปลายเหตุแก้ไขที่ต้นเหตุเหตุเป็ความทุกข์ก็คือ ก็คือโมหะใช่ไหมโมหะคือความหลงหลงตัวลืมตนพอเกิดความหลงแล้วแสดงว่าเราจะขาดสติสติกับความหลงนี่มันอยู่คนละด้านกันเพราะจิตใจเราหลงจึงเกิดความโลภใช่ไหมความโลภอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนั่นเกิดจากความหลง เพราะความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยมันมาจากที่ไหนความโกรธมาจากความหลงหลงโกรธหลงโลภหลงโกรธความยึดมั่นถือมั่นก็มาจากความหลงเพราะไม่รู้จึงเกิดการยึดมั่นถือมั่นสุดแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็มีต้นตอมาจากความหลงทั้งนั้นน่ะมันอยู่ที่ใจเราด้วยใจของคนทุกคนที่ยังไม่ได้ฝึกไม่ได้เจริญ เพราะนั้นคนที่มุ่งหวังแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องมันเริญสติให้มากๆจเจริญไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นจะไม่มีคือมีอยู่แล้วแต่ทำให้มันมากยิ่งขึ้นเริญรปลว่าพัฒนาให้มันมากยิ่งขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้รู้เท่าทันในความหลงของเราให้รู้เท่าทันในความหลง พอรู้ทันแล้วเนี่ยมันยังแก้ปัญหาไม่ได้เต็มที่มันยังสามารถดึงเอาปัญญาให้เรามารู้แจ้งสติธรรมที่รู้ทันปัญญาธรรมที่รู้แจ้งรู้แจ้งคือรอบรู้เรื่องของชีวิตมันจึงมีสิ่งที่ผูกโยงกันมากปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราขาดสติ เพราะตัวสําคัญคือต้องเนี่ยมาเจริญตัวเนี้ยเนี่ยเข้าใจที่มาที่ไปแล้วเนาะว่าเราเจาระสติทำไมสติไปทำอะไรซึ่งมีมากกว่านี้อีกซึ่งมีข้อปริกย่อยมากมาย <c oughs> คนขาดสติก็เหมือนคนขาดชีวิตนั่นแหละมันเกี่ยวกับชีวิตของเรานันการฟังเนี่ยคือฟังเรื่องของตัวเราที่จะแนะนำวิธีหลักอจจะเรียกตัวหลักเลยหลักของการจริญสติเลย หลักของการเจริญสติคำว่าหลักเนี่ยก็คือเราต้องหมายถึงอะไรมันต้องปักต้องแน่นจะต้องมีที่เกาะที่อยู่เห็นไหมคนคนที่ไม่มีที่เกาะคนหลักรอยคนหลักรอยนี่จะจะเป็นคนที่เหล้วไหลไม่มีจุดหมายปลายทางหลักรอยชีวิตต้องมีหลักการปฏิบัติก็ดีการเจริญสิก็ดีก็ต้องมีหลัก ถ้เราเข้าใจถึงหลักการจริตสติแล้วเนี่ยเข้าใจหลักแล้วเนี่ยเราจะนําเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ยากเลยหลักการจริตสติเนี่ยถ้าไปภาษาธรรมะที่เขากรอกกันไว้ก็มีสติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นหลักสําคัญที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้สติปัฏฐานสี่มีขึ้นเพราะว่าท่านมีเป้าหมายว่าให้กลับมาดูตัวเรา ฐานทั้งสี่ฐานนี่ไม่ได้อยู่นอกตัวอลยนะอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราทั้งนั้นเลยจะเป็นกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมะก็ดีเราค้นหาได้ที่ตัวเราที่ท่านแสดงแบเนี้เพราะว่าไปนต้องการให้เรามองนอกตัวถึงมองนอกตัวแล้วก็ต้องกลับมาดูตัวเราด้วยจะได้พบหลักของชีวิตที่แท้จริงเราจะมาดูที่ว่าหลักไหนที่มัน มันถนัดกับเราอะไม่ใช่ถนัดของครูบาอาจารย์นะถนัดกับเราก็อยากจะแนะนำเรื่องของการมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวเนี่ยรู้กายเนี่ยยังไม่พูดถึงการเคลื่อนไหวก่อนเอาแค่รู้กายทำไมจึงรู้กายเพราะกายเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่หยับๆยาบมองก็เห็นสปัดก็ได้ กายเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานะอยู่ที่ตัวเราที่เรายึดว่าเป็นตัวเราเนี่แหละมันเห็นได้ง่ายมันอยู่กับตัวเราเล ย, เ, ยเรามองข้ามไปเราก็จะพลาดจากการมารู้กายการรู้กายเนี่ยว่าเป็นหลักของการปฏิบัติเห่นสติปัฏฐานสี่เนี่ยกายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยโอ้โหหมวดนี้ใหญ่มากเลยนะนักนักตำรามีต้องกี่บะนะับพระล่ะ16บหรือไงเนะี่ ใหญ่มากเลยเพราะมันมันมันง่ายที่จะดูอะของมากๆากนะมันก็ดูได้ง่ายใช่ไหมกายเนี่ยมันง่ายมากการมิตริรู้กายเนี่ยถือว่าเป็นเป็นหลักของกรรมฐานครูบาอาจารย์สมัยเก่าๆแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็อาศัยหลักรู้กายก่อนลมหายใจก็เรียกว่าเป็นกองลมก็คือกองกายนั่นแหละ การเดินจงกรมการเคลื่อนไหวแม้แต่การบริกรรมต่างๆเนี่ยก็หันมาอาศัยผูกอยู่ที่กายหายใจเข้าขบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทจะยุบหนอพองหนอมันก็อาศัยหลักรู้กายการรู้กายถืว่าเป็นธรรมะที่เป็นหมวดใหญ่มากแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นจากกายในมากมายเดี๋ยวจะแจกแจงให้ดู แม้ว่าคนที่ปฏิบัติเจริญสติจนกระทั่งจิตเนี่ยได้สัมผัสอารมณ์ละเอียดละเอียดแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะละทิ้งการรู้กายทั่วเป็นหลักสำคัญในการเจริญสติเลยเนี่ยการรู้กา ย, ยจะจะบอกถึงเรื่องว่าการรู้กายมีประโยชน์อย่างไรบ้างการมีสติรู้ลงไปที่กาย โดยเฉพาะกายที่เคลื่อนไหวทํายพลบอกเคลื่อนไหวเพราะว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นชีวิตของเราชีวิตที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมันไม่ใช่ชีวิตชีวิตต้องมีการเคลื่อนไหวชีวิตต้องมีการต่อยอดด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายที่เคลื่อนไหวทั้งมันเป็นเรียบทที่ทั้งทําได้ทั้งในรูปแบบและก็นอกรูปแบบ การใช้ชีิตประจำวันเนี่ยมันสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวมากถ้ามีสติผูกโยงอยู่มันง่ายใช่ไหมธรรมชาติที่ถ้าอยู่ไปทำงานแล้วนั่งนิ่งๆเนี่ยมันก็เกิดสติได้แต่สติเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดมันจะเป็นสติแบบซึมๆไม่ใช่สติล้วนๆกายที่เคลื่อนไหวทาให้สตินี่มันมันเกิดได้ง่ายอันนี้มันจากประสบการณ์นะกายที่เคลื่อนไหวสติเกิดได้ง่าย แล้วมันเกิดได้บ่อยๆด้วยเพียง น, นีไม่ค่อยได้สนใจเรื่องกาย <c oughs> เคลื่อนไหวนอนนิ่งๆสติมันก็มีชั่วขณะต้นๆแล้วต่อไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆค่อ ย, อยๆนิ่งแล้วก็จิตมันก็นิ่งแล้วก็จะหลับ <c oughs> มันก็เลยเหมาะสำหรับคนที่อยู่นิ่งๆคนที่ชอบเคลื่อนไหวเนี่ยมันช่วยกระตุ้นให้สติเกิดได้ง่ายแล้วเกิดได้บ่อยการต่อเนื่องเนี่ย มาจากการเคลื่อนไหวเนี่ยจะดีมากอันนี้ไม่ได้พูดถึงการยกมืออย่างเดียวแม้แต่ลมหายใจก็มีการเคลื่อนไหวการตามรู้ลมทำให้จิตมันตื่นลมเข้ารู้ลมออกรู้ถ้าลมนิ่งเนี่ยบางทีมันรู้ตอนแรกแล้วต่อไปมันจะนิ่งตามลม <c oughs> มันรู้ได้ไม่ตันแต่การเคลื่อนไหวของร่างกายอิริีาบทย่อยๆการยกมือการพลิกมือ การกลืนน้ําลายการมองซ้ายมองขวาเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มพัฒนาสติขึ้นมาเกาะได้ง่ายๆและมันปัจจุบันนะคนที่อยากจะมีชีวิ ป, ปัจจุบันได้ยินไหมที่ก็บอกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดโหนเป็นเป็นประโยคทองนะเราพูดแล้วก็จบตรงนั้นแล้วก็ทำยังไง <c oughs> นะเคยยินไหมเนี่ย <c oughs> คุณเนี่ยทปัจจุบันที่สุด ถ้าทำยังไงก็คนพูดเขาก็ยังไม่รู้จักปัจจุบันปัจจุบันที่ได้ชัดเจนคือเรื่องของกายเรื่องของความคิดเนี่ยจับหลักปัจจุบันได้ยากมากเพราะรู้ว่าคิดเนี่ยก็ไม่ใช่ปัจจุบันแล้วพอคิดขณะคิดเราก็ไม่รู้ว่ากำลังคิดอยู่ปัจจุบันใช่ไหมมันจับหลักปัจจุบันไม่ได้แต่กายเคลื่อนไหวเนี่ยพอพลิกมือปับ๊บมันรู้ไดทันทีขณะที่พลิกมือ มันรู้ได้ทันทีเลยเนี่ยปัจจุบันได้ชัดเจนมากชีวิตจริงๆก็อยู่ปัจจุบันงนั้นน่ะเนี่ยของจริงที่มันปัจจุบันขณะต่อหน้าต่อ ต, อตาชีวิตอยากจะอยู่กับปัจจุบันก็ฝึกที่จะลงรู้ลงไปที่กายซะบ้างปัจจุบันมันเกิดขึ้นได้ง่ายใช่แล้วการเจริญวิปัสสนาเนี่ยหลักสาคัญคือการรู้ที่ปัจจุบัน วิปั ส, สนาจะมีได้ต้องมีปัจจุบันการรู้แจ้งไม่ใช่รู้ขณะต่อไปก็รู้ขณะปัจจุบันเนี่ ย, ยรู้กายอีกอันหนึ่งที่ที่ตรงนี้นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เวลาเกิดปัญหาก็คือเมื่อเรามีสติรู้กายเนี่ยสติที่รู้ลงไปที่กายเนี่ยมันสามารถที่จะ ดึงเอาความดึงเอาจิตใจที่มันหมกมุ่นหรือจมอยู่กับความคิดเนี่ยตัวเนี้ยนะสติที่รู้กายเนี่ยสามารถไม่ให้จิตเนี่ยมันจมอยู่กับความคิดได้มันดึงกลับมาที่รู้กายกายมันคิดไหมร่างกายมันไม่คิดนะ <c oughs> ไอ้ที่คิดเนี่ยไม่ใช่ร่างกายมันเป็นความคิดเป็นความคิดความคิด ไม่มีตัวไม่มีตนมองไม่เห็นตัวตนแต่มันหลอกเราทุกวันนะคนที่เวลา ก, วก่อนจะหลับถูกความคิดหลอกเพราะว่าเราไม่ได้รู้ไว้ท totally ี <S <S ่กายจิตถูกความคิดลักพาไปหลงไปกับความคิดแต่คนที่มีปัญหาเรื่องความคิดรู้ว่าคิดแต่ออกจากความคิดไม่ได้ แล้เป็นคนชอบคิดคิดแ ล, ล้วปวดหัวมีปัญหามากมายลองอาศัยหลักนี้ดูบ้างสินีมารู้กายการรู้กายนี่เท่ากับว่าสติเนี่ยลักพานีเอาจิตใจกลับไปอยู่กับเนื้อกับตัวพาจิตนีมารู้ลงไปที่กายใช่ไหมลักพาจิตหนีจากความคิดมารู้ลงไปที่กายเวลาเกิดความกลัวกลัวแล้วก็ตาม บางทีไม่รู้ว่ากลัวอะไรแต่กลัวไว้ก่อนนะ <Yeah. S 1> yeah. เกิดความกลัวบางคนก็คิดหาเหตุผลว่ากลัวจากอะไรส่วนมากจะไม่คิดอ่ะไม่อยากคิดอะไรเพราะกลัวจะรู้ว่ากลัวอะไร <c oughs> แล้วมันก็แก้ความกลัวไม่ได้มันเกิดความกลัวแม้แต่เริ่มต้นนิดหนึ่งก็อย่าไปคิดหาเหตุผลเลย <Yeah. S 1> ถ้าเราสามารถลากพาจิตสติเนี่ยลากพาจิต มันรู้วิธีกายเนี่ยเราจะหายจากความกลัวร่างกายมันไม่กลัวจิตก็ไม่ได้กลัวจิตมันกลัวไม่ได้แต่ว่าความคิดต่างหากหลอกให้จิตไปกลัวใช่ไหมเนี่ยคนที่ท้อแท้เหงาเซ็งเบื่อเนี่ยไอ้เนี้ ย, นนยถูกถูกบรรพาจิตไปทางนั้นอะ่ะถูกอาการตอนเนี้ยพาจิตไปทางนั้นอะ่ะ สติสามารถดึงจิตให้กลับมาอยู่กับกายมารู้ที่กายไหมออกจากอารมณ์นั้นได้ยังชับพันยังยอดเยี่ยมเลยนะขอให้ฝึกไว้เถอะความทุกข์เกิดจากความคิดก็ไม่เป็นไรจะฝึกสติเอาไว้สติรู้กายเนี่ยสามารถดึงจิตออกจากความทุกข์ได้แม้การปรุงแต่งเป็นตัวตนทั้งหลายเนี่ยเรากลับมารู้กายสนะิตัวตนก็จะไม่ค่อยปรากฏ ดีนะตรงนี้มันช่วยชีวิตเราได้แม่มันเศร้าหมองแม่มันทุกข์รักพามันมรู้ที่กายซะแล้วการรู้กายเนี่ยมันจะมีสภาวธรรมเกิดขึ้นมากมายจากกายเนี่ยมีสภาวธรรมมากมายเราจะเห็นสติจะเป็นผู้เห็นสภาวธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากกายตั้งแต่ปัจจุบันตั้งแต่รูปนาม การรู้กายเนี่ยจเจนรูปนามได้ชัดเจนวิปัสสนาถ้าไม่เริ่มตัวจากการรู้รูปนามเนี่ยมันจะทําให้เราไม่มีหลักรูปนามนะเป็นหลักในการที่จ ะ, จะเจริญสติจเจริญวิปัสสนาต่อไปจนกระทั่งถึงมรรคผลผนิพพานอาศัยรูปนามเป็นหลักเท่านั้นแหละจะถึงจุดหนึ่งที่จะปล่อยวางมันได้ถ้าปล่อยวางไม่ได้ไปรีบปล่อยวางรูปนามก่อนเนี่ยมันก็มันก็เขาเรียกว่ามันข้ามขั้นตอนแล้วมันจะไม่รู้จากรูปนามเลย รู้กายจะรู้จักรูปนามจิตใจถ้ารู้กายเนี่ยมันก็เห็นจิตใจได้นะกายที่เคลื่อนไหวขยับไปมาเนี่ยคือกายแล้วใครเรารู้กายไม่ใช่เรารู้กายนะจิตมารู้กายการปฏิบัติการเอาจิตมารู้กายนะการรู้กายการเอาจิตมารู้กายนั่นแหละจิตผู้รู้นั่นแหละ บัรดาผู้ที่รู้กายนะมันผูกโยงกันหาตัวเราไม่ได้เลยนะกายก็ทำหน้าที่เคลื่อนไหวจิตก็ทำหน้าที่รู้มันไม่มีเราในภาษาพูดก็มีเรารู้แต่ที่จริงภาษาปรัชญาธรรมคือจิตมันรู้เห็นจิตที่มันรู้อาจจะเห็นไม่ชัดจะรู้จิตได้นั้นเราต้องเห็นความคิดการรู้กายเนี่ย มันเห็นความเห็นความคิดได้ไหมกายมันไม่คิดนะแต่มันมีความคิดมาให้เรารู้ได้ยังไงใครบ้างที่รู้กายแล้วไม่เห็นความคิดนี่ไม่ได้ไปยุ่งกับความคิดไม่ได้ยุ่ง ไ, ไม่ได้ยุ่งกับจิตให้มันวุ่นวายเนี่ยแค่รู้กายเนี่ยเห็นทั้งจิตเห็นทั้งความคิดเลยกิเลสมาจากไหนขณะรู้กายนี่มีกิเลสไหม ขณะรู้อยู่ไม่มีเดี๋ยสักพักหนึ่งเนี่ยพอหลงที่จะไม่รู้กายเนี่ยเดี๋ยวจะมาละมันเพ่งไปหรือเปล่าเดี๋ยวกิเลสความกังวลก็มาเยี่ยมละมันถูกต้องหรือเปล่านั่นคือความคิดที่ผ่านมาจากการรู้กายทางนั้นมันเข้ามาแทรกเข้ามาแทรกตัวสติสติมันหายขาดไปก็จะมีความคิดเรื่องราวต่างๆท่านักปฏิบัติก็คิดเรื่องปฏิบัติ ขณะทำงานอยู่เอาที่เราทำงานเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่แดนงานแดนงานคือกายผูกอยู่กับงานสติรู้เราก็จะเห็นความคิดที่เกิดจากความมิจตอกังวลมีไอ้ความกังวลแล้วเราก็ลืมกายไปสนใจกับเรื่องความกังวลซึ่งไม่ใช่เป้าหมายในการทำงานเป้าหมายการทำงานคือทำให้งานสำเร็จรุ่งโรไปด้วยดีแต่ความกังวลนี่มันไม่ใช่มันเป็นแขกที่ จอมาชั่วคราวถ้าเราขาดสติเราก็หลงกับแขกที่จอมาคือความกังวลว่ากลัวจะไม่เสร็จกลัวจะไม่ดีสำหรับเริ่งผลของงานนะเราสามารถเห็นความคิดที่ตกกังวลหรือความอยากต่างๆที่เกิดจากการทำงานได้โดยการผ่านการรู้กายแล้วสิ่งนั้นมันจะชัดเจนมากความคิดกังวลชัดเจนมาก ที่มันชัดเจนเพราะอะไรเพราะเราเชื่อเลยเราเชื่อมันแล้วก็ลืมตัวกิเลสต่างๆก็เกิดขึ้นจากการรู้กายมองเห็นนะมันแทรกเข้ามากิเลสมันแทรกเข้ามาแม้แต่พระไตรลักษณ์ใช่ไหความไม่เที่ยง<ม>ก็เห็นที่กายได้ยขยับไปขยับมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็พลิกเดี๋ยวมันก็ตะแคงเดี๋ยวมันก็ยกมันไม่เที่ยงเดี๋ยวขยับซ้ายขยับขวา กายมันเหมอะความไม่เที่ยงนั่นแหละเนี่ยเข้าสู่แต่รักก็นั่นเนี่ยความเป็นทุกข์เนี่ยโหนี่ไม่มีอะไรชัดเจนเท่ากับกายที่เป็นทุกข์ทุกดูได้ที่กายเนี่ยชัดเจนมากทุกเวทนาทุกขังก็รู้ที่กายได้ความเบันนาตาบังคับบัญชาไม่ได้มันก็ไม่อยู่ที่กายดังนั้นอาศัยที่กายทั้งหมดเลยตรายรัก ก, ก็เกิดขึ้นได้เมื่อเรา รู้กายแม้แต่มากผลนิพพานนะเนะเรารู้กายแต่เราจะเห็นจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสามากผลนิพพานอาจจะไม่เกิดที่กายเกิดที่จิตแต่ความบริสุทธิ์สดใสเราก็จะสัมผัสรู้ได้ด้วยสติปัญญาที่เกิดจากจิตอาศัยกา ย, เ, ย เ, ปเป็นเป้าล่อ ให้อารมณ์ต่างๆมันเกิดมาสภาวธรรมต่างๆๆเกิดมามากมายด้วยกายเคลื่อนไหวเป็นเป้าล่อเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะแนะนำก็ตรงนี้หลักกรรมฐ า, านเนี่ยหลักสำคัญคือการเจริญสติที่มารู้กายเนี่ยนะแค่เรื่องเดียวเนี่ยโอ้อันนี้ส่งมากมายนะจะมีเวทนามีจิตมีธรรมอีกพวกนิดช่วยทำให้เราได้เห็นสภาวธรรมทั้งนั้นแหละ จะเอาที่มันง่ายๆก่อนใกล้ๆตัวทีนี้การรู้กาย ร, รู้อย่างไรล่ะที่จะได้เห็นสภาวธรรมต่างๆเราต้องใช้เนี่ยต้องใช้จิตที่เป็นปกติในการรู้ลงไปนะจิตที่รู้เฉยๆไม่มีตัวตนที่ต้องการอะไรในการรู้นั้นแล้วก็ต้องไม่ใช้ความคิด ไม่ต้องกังวลไม่ต้องใช้คำบริกรรมไม่ต้องหลับตาไม่ต้องใช้อะไรเลยรู้สึกไปล้วนๆปกติธรรมดาทำ ร, รับอิสระอย่างนี้แหละเนี่ยอาจจะยังทำไม่ได้แต่รู้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรู้ว่าเราจะทาอย่างไรที่จะให้จิตมันล้วนๆกับการรู้กายรู้ไปรู้การขึ้นไว้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่าไปกังวลว่า นี่เราเพ่งไปหรือเปล่าเรารู้ถูกหรือเปล่านั่นคือความกังวลเนี่ยหลายคนชอบถาม <c oughs> ขณะนี้เขาเพ่งไหม <c oughs> เขาตั้มถูกหรือเปล่า <c oughs> ไม่กลัวเพ่ง <c oughs> ก็กลัวจะหลงหลงไปปรุงแต่งหลงไปคิดต่างๆคือ <c oughs> <c oughs> เอาความกังวลไปปฏิบัตินะ่ะถ้าแบกเอาความกังวลไปจิตสติเนี่ยมันมันมันเริ่ ม, เ ร, มเริ่มไม่ถูกเลยที่แรกและ้ะ มันก็ปิดเป้าหมายของการรู้กายล้วนๆมันจะเพ่งก็เพ่งก็รู้ลงไปตรงๆธรรมดาๆรรเพราะว่ามันเราเวลาจะเริ่มต้นทาอะไรเนี่ยมันต้องตั้งใจใช่หมการตั้งใจเนี่ยเขาจัเป็นการเพ่งอย่างหนึ่งถ้าตั้งใจไว้ก่อนอย่าไปกลัวนี่เราจะรู้เลยว่าดูจากผลที่มันเกิดขึ้นจะว่าเราเพ่งหรือไม่เพ่ง ถ้าเกิดการเคร่งเครียดขึ้นมาเนี่ยความเครียดนะเมื่อยปวดต้นคอเมื่อยปวดหัวไหล่เจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกคลื่นไส้เวียนศรีรษะมีแต่ความทุกข์แสดงว่าเราโอ้นี่เราเพ่งเกินไปละมันต้องมีประสบการณ์แบบนี้นะต้อประสบการณ์จากการปฏิบัติหรือถ้าเราไม่รู้เลยที่เราไม่รู้เลย เ, ลยเนี่ยแสดงว่าจิตเราเนี่ยมันหลงไปแหละไม่ได้กลับมารู้กายมันหลงใช่ไหม ต้องสังเกตจากอาการที่เกิดขึ้นกับตัวจริงๆมันเป็นอย่าจะสมมุตินะสมมุติเนี่ยเราใส่เสื้อถ้าเสื้อหลวมเนี่ยเราจะรู้ไหมเราใส่เสื้อหลวมถ้าใส่เสื้อคับไปเนี่ยเราจะรู้ไหม <c oughs> อาการเสื้อหลวมเมื่อการที่จิตใจเลื่อนลอยมันลุ้นล้าวอาการเสื้อคับเนี่ยแปลว่าเราเพ่งเกินไปสมมตินะ และใครจะบอกเราได้สิ่งเหล่าเนี้ยจะไปถามครูบาอาจารย์หลวงพ่อครับผมใส่เสื้อคับไปหรือเปล่า <c oughs> เสื้อผมหลวมไปไหมเนี่ยเราเองต้องรู้สึกอย่าไปหวังพึ่งแต่คนอื่นนะ <c oughs> การปฏิบัติเนี่ยคือทําที่ตัวเราเมื่อทําที่ตัวเราเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งส่วนตัวแล้วส่วนตัวของเราแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่ใอาศรรยัยครูบาอาจารย์ อาศัยท่านชี้ทางแนะนำหรือให้ประสบการณ์แต่เราเองล่ะต้องเดินเองถือว่าเป็นมักเป็นมักปฏิปทาที่เป็นส่วนตัวค้นหาในตัวเราเองอ่าได้มุ่งหวังพึ่งผู้อื่นเลยเราจะได้ฉลาดมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเนี่ยการเจริญสิเนี่ยเป็นการฝึกในการเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตว่ามันเกิดการอย่างนี้เราจะทาอย่างไร สาเหตุมาจากไหนบางทีไม่ต้องหาสาเหตุพอเห็นที่ผลปั๊บเนี่ยมันรู้เลยอ๋อนี่เหตุมาจากไหนเราต้องรู้เองนะต้องมุ่งหวังนี่จพึ่งตัวเองมากกว่าพึ่งคนอื่นคนอเดนไปเพียงแค่กำลังใจให้คำแนะนำให้ประสบการณ์เท่านั้นเองแต่เราเองละ่ะต้องเดินด้วยตัวของเราเองเห็นไหมสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางอันเอกเดินด้วยคนคนเดียว กิเลสมากกิเลสน้อยทุกมากทุกน้อยเนี่ยไม่ไ ม, มีใครไม่มีใครก็รู้เราแล้ว เ, เราต้องรู้เราเองและฝึกที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวของเราเองลองแก้ด้วยก่อนให้เป็นประสบการณ์ถ้าเราแก้ตัว เ, เองได้แล้วเนี่ยเราจะมีความรู้มากยิ่งขึ้นมากกว่าองค์ความรู้ที่ได้จากคนอื่นแนะนํา้วยซ้ำไปความรู้จากคนอื่นเนี่ยบางทีทําให้เราไม่ชัดเจนไม่เข้าถึงแต่รู้ด้วยตัวเราเองนี่แหละมันทําให้เรา เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นแค่รู้ลงไปเฉยๆกับกายที่เคลื่อนไหวแบบไม่มีตัวตนอะไรที่ต้องการอะไรเพื่ออะไรเจ้าอะไรเนี่ยรู้ไปล้วนๆอย่างเงี้ยเวลาจิตมันหลงไปแล้วเราก็กลับมาตั้งต้นรู้ที่กายใหม่มันหลงก็กลับมารู้ใหม่หลงมัก็กลับมารู้ใหม่บางคนบอกว่ามันไม่คยสงบสติไม่เกิด ก็เขาต้องการให้เป็นอย่างนั้นก like> ่อนเราจะรู้จักวิธีการทำให้สติมันเกิดทำอย่างไรด้วยฝีไม้ลามือของเราเราต้องทำเองเผลอไปก็กลับมารู้ไปก็กลับมารู้แล้วจะรู้ว่าอ้าวอ๋อการรู้ต้องเป็นอย่างนี้เองอ๋อการเผลอเป็นอย่างนี้เองหลงเป็นอย่างนี้เองมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมารู้ได้ตลอดเวลาเลยอย่าไปกังวลนะหลงไปทีไรเผลอไปทีไรแล้วกลับไม้ได้ทุกครั้งทุกครา จับหลักรู้กายเคลื่อนไหวไว้ก่อนเป็นหลักของการเจริญสตินะอย่าไปคิดว่ามันไม่เห็นสงบเลยมันไม่เห็นรู้อะไรเลยนะ <c oughs> เราอย่าปฏิรือทั้งกโกรน <c oughs> ต้องเข้าไปสัมผัสเป็นประสบการณ์แล้วจะเริ่มเข้าใจประสบการณ์และแก้ปัญหาตัวเราเองเนี่เนี่ยหลักของกรรมฐานเนี่ยก็คือมาขยันรู้ ขยันรู้อาศัยกายเป็นหลักไปก่อนขยนันรู้ไม่เรียกว่าภาวนาภาวนาพอขยันรู้มันก็จเจริญสติก็จเจริญภาวนาคือความจเจริญชีวิตใครไม่จเจริญไม่ได้ทำให้เปลี่ยนชื่อเป็นภาวนาเขาก็บอกว่าคุณไปอย่าชื่อเป็นภาวนาซะคุณจ ะ, จะเจริญถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นภาวนายังขี้เกียจเหมือนเดิมก็ไม่จเจริญเจริญคือทําบ่อๆบ่อยๆ การเตระสติไม่ได้มุ่งกับความสงบนักปฏิบัติส่วนมากก็ทำยังไงจะสงบสงบเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่ถ้าสงบแล้วเรารู้ไม่ทันในความสงบยึดติดในความสงบเนี่ยเราก็จะพลาดจากตัวปัญญาที่จะรู้แจ้งสงบมันย่อมเกิดขึ้นได้สติทำให้เกิดสมาธิและจิตก็จะสงบตั้งมั่นแต่เราไม่ได้เข้าไปยึดติด ในความสงบนั้นแม้จิตสงบเราก็มีจิตที่รู้ในความสงบได้ด้วยรู้ในความสงบอย่าเข้าไปติดกับความสงบรู้ในความสงบจิตมันก็ตื่นตื่นออกมาจากความสงบเนี่ยอันนี้คือสงบที่แท้จริงสงบจากกิเลสในความสงบก็เป็นกิเลสตัวตนมีตัวเราพุทติดในความสงบแล้วก็หลงถ้าตื่นจากความสงบเนี่ยเาเรียกมันมันอยู่เหนือความสงบสมาิเพื่อจิตมันตื่น รู้เท่าทันแม้แต่จิตที่มันสงบจิตก็จ ะ, จะเจริญต่อไปให้เกิดปัญญาได้อย่ามุ่งกับความสงบนะเอาการตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้รยิ่งตื่นรู้หนักเข้าเนี่ยจิตมันจะเปลี่ยนรู้บ่อยๆจิตจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเป็นสภาวะที่รู้ที่ดูเลย เป็นภาวะที่ดูหรือผู้ดูโดยสมมุติเรียกผู้ดูแต่มีสภาวะที่ดูเกิดขึ้นในจิตใจตรงนี้แหละเมื่อมีการดูก็ต้องมีการเห็นเห็นอะไรก็เห็นตัวเราเห็นรูปเห็นหนามเห็น ส, สภาวะธรรมสารพัดอย่างมันเพิ่มจากการมารู้กายเฉยๆรู้ธรมธรมดาธรรมดาแบบไม่เอาอะไรเนี่ยแบบไม่กังวลใจเนี่ยมันพัฒนาเป็นสภาวะธรรมมากมายซึ่งเราต้องเดินเอาเอง สำคัญคือต้องเริ่มต้นในถูกต้องเราต้องรู้สึกลงไปเนี่ยรู้สึกล้วนๆรู้สึกล้วนๆเป็นสัมผัสแรกของจิตใจ <c oughs> ซึกเป็นจิตดั้งเดิมแท้ๆที่บริสุทธิ์สัมผัสแรกของจิตคือรู้ล้วนๆสัมผัส ต, ต่อมามันจะไม่ล้วนมันจะมีความคิดมีการปรุงแต่ง อันนั้นก็ใช่แต่ว่าอันนั้นยังเข้าไม่ถึงความรู้สึกล้ ว, ลวนที่เป็นจิตดังเดิมจิตเดิมแท้คือสัมผัสแรกที่รู้สึกล้ ว, ลวนจิตที่รู้สึกล้ ว, ลวนเนี่ยเป็นจิตที่มีพลังนะเป็นจิตที่มีพลังสัมผัสแรกจะมีพลังจะมีความบริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยคือจิตที่เป็นกุศล น, <c oughs> นั่นหละคือชีวิตแ ท, ทต้นต่อของจิตคือรู้สึกล้ ว, ลวน สัมผัสแรกทำตรงนี้ได้เข้าดึกนีได้ แ, แล้วก็จบเลยไม่ต้องทำอะไรมากมายแค่เริ่มต้นว่ารู้สึกลว้ลวนๆแบบไม่มีการปรุงแต่งแล้บางคนสงสัยมันรู้ยังไงสัมผัสแรกแอบลองดูลองตัวอย่างนะลองเอามือมือข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยสัมผัสลูบไปที่แต่ละข้างแนละ้วลูบไป พรารู้สึกนั่นแหละคือสัมผัตตแรกสัมมาแรกของจิตอืมรู้สึกแต่สัมมาตมาเนี่ยเอย้มันคันมันเสียว <c oughs> มันนุ่มใช่ไหมนั่นคือสัมผัสต่อไปซึ่งยังไม่ใช่จิตเดิมแท้อยากเข้าไปถึงเพราะที่บริสุทธิ์จิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์คือโอ้แค่นั้นเองไม่มีคําพูดนะผมก็บอกไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงแต่มันรู้สึกได้แล้วกันคนะัอืมอืม แวบเดียวมีพลังเดี๋ยวจะคิดแล้วไอ้มันเมื่อกี้มันคันหรือมันเสียวนั่นคือสัมผัสต่อไปนะการเจอติคือการจับความสึกเกิดสัมผัสแรกรู้ลองสัมผัสแรกปุ๊บนะถ้าจังหวะแรกรู้ไม่ทันไม่เป็นไรหรอกอรู้ใหม่รู้ว่าใหม่บางทีมอาจจะคุมตัวก็รู้ว่าใหม่เพราะเรามีการขึ้นไหวสีจังหวะเนี่ยโหสี่สีรู้สามารถจริสัมผัสได้ สิบสี่รู้จะสัมผัสรู้สัมผัสแรกได้หนึ่งครั้งก็ยังดีกว่าที่ไม่รู้อะไรเลยนะมันจะมีพลังกว่าจิตที่มันสัมผัสที่สองนะสัมผัสที่สองจิตหมดพลังแล้วมันเริ่มคิดแล้วพอเริ่มคิดจิตก็เสียพลังเห็นะหมพอเรเริ่มคิดนิดเดียวนะ่ะจิตเสียพลังพลาดจากจิตเดิมแท้ซึ่งไม่จิตประพัสสอนไม่มีชื่อ ไม่มีลักษณะไม่มีที่อยู่มีแต่เพราะวะที่รู้รู้สึกล้วนวนิพพานจะปรากฏตรงนั้นนะ <c oughs> ความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเกิดจากสัมปัสแรกของจิตเห็นไหมเวลาคุณรูปปุ๊บรู้สึกปุ๊บเนี่ยตัวตนคุณไม่มีหรอกมันมีเมื่อสัมปัตที่ 2. สองสัมปัตแรกปัจจักตัวตนคืออนัตตาอยู่ตรงเนี้ ย, ยมีอยู่แล้วนมะสัมปัตปุ๊บ เนี่ยอนัตตาอนัตตาตัวนี้แปลว่าไม่ใช่ตัวตนมีแต่สพัพพะที่รู้ตัวตนเกิดจากการปรุงแต่งใช่ไหมถ้าปรุงคิดใหม่แล้วก็มันมีตัวเราทันทีเลยแต่ถ้ารู้สึกด้โล่เนี่ยมันยังไม่เกิดละตัวตนอ่ะมันมีรู้อยู่มันรู้ว่างเมื่อรู้แล้วก็ปลยมันผ่านไปอย่าไปกังวลอย่าไปสแสวงหาว่ารู้อะไรชี่เวลาเราพลิกมือเนี่ย รู้เนี่ยสัมผัสแรกผ่านไปแล้วก็รู้ใหม่ยกมือรู้รู้สึกกับการสมผัสที่มันเคลื่อนนั่นเองปุ๊บรู้ใหม่รู้แล้วผ่านไปเลยเข้ามารู้สึกเอาใหม่เคลื่อนไว้แต่ละครั้งเนี่ยรู้แล้วก็ทิ้งเลยรู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่านเลยรู้ต่อไปเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นมันจะมันจะเริ่มที่จะมีพลังมากขึ้นสัมผัสรู้เป็นสัมผัสแรกมันจะเบา รู้สึกแล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านแล้วก็รู้ใหม่ใช่ไหมเราไม่ใช่รู้ครั้งเดียวจบรู้ใหม่ไปเรื่อยๆื่อยๆชีวิตมันต้องต่อยอดมันต้องใหม่มันต้องต่อยอดต่อยอดไปรู้ใหม่รู้ใหม่แล้วก็อดีตก็ปัจจุบันก็ผ่านไปเป็นอดีตจะเป็ปัจจุบันใหม่ปัจจุบันใหม่อนนี้คือจิตที่แท้จิตต้องเป็นอย่างนั้นมันจะเกิดดับเกิดดับนับไม่ทันไงรู้แล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปเฉพาะที่รู้ล้วนเนี่ยมันไม่มีตัวนี่มีตนนะ มันบริสุทธิ์เนี่ยเข้าถึงตัวนี้ได้อรัตราจะปรากฏขึ้นที่ใจเรารู้แล้วปล่อยมันผ่านนะอย่าไปติดในสิ่งที่เรารู้อย่าติดในสัมผัสแรกอย่าติดในปัจจุบันผ่านไปเลยปัจจุบันใหม่แล้วจะรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันใหม่อยู่เรื่อยมันจะมีความผ่องใสมันใหม่เพราะมันผ่องใสมันสดชื่นเนี่ยเคล็ดลับวงการใช้วิธี่ผ่องใส ชีวิตที่ใหม่คือรู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่านแล้วก็แล้วกันไปเอาใหม่เอาใหม่อย่าไปแก้ไขของเก่าเลยไปแก้ไขของเก่าชีวิตเราก็เก่าอยู่เรื่อยไม่ใช่ย่เท้าอยู่กับที่ถอยหลังอยู่เรื่อยๆเอาใหม่เอาใหม่คนที่อยู่กับเราจําเจกลายเป็นคนหน้าใหม่ <c ười> <c ười> เพื่อเรากลายเป็นเพื่อนคนใหม่โอ้ oh, อะไรก็ใหม่ใม่ชีวิตก็เลยใหม่ๆไม่ใช่ใหม่เพื่อจะไปข้างหน้าไม่ใช่ใหม่เพราะมันปัจจุบันขณะใหม่ ถ้าหม่ไปข้างหน้าก็ไปตาย <c oughs> ปัจจุบันใหม่ปัจจุบันใหม่มันจริงมันจริงที่สุดเลยชีวิตจริงคือชี่ปัจจุบันชีวิตข้างหน้าเป็นชีวิตที่เพอ้อฝันชีวิตอดีตคือชีวิตที่ล้มละลาย <c oughs> แล้วก็บอกว่าอะเอาอดีตมาเป็นครูสิมันก็คิดถึงครูทั้งวันะคิดแต่อดีตอยู่เรื่อยนะคิดถึงครูอยู่เรื่อยครูจะช่วยเราได้แต่เมื่อรู้จักเอาคิดแล้วแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันให้มันดี เราลองจิตสติแบบรู้ล้วนๆไม่ต้องการอะไรไปเรื่อยๆสมบัติแรกเรื่อยๆสักระยะหนึ่งเนี่ยเห็นว่าจิตเราเนี่จะเบามันจะมีแต่ความผ่อนคลายมันจะเริ่มมีความสุขเพราะจิตมันไม่ได้ปรุงแต่งจิตบริสุทธิ์และไมไ่ปรุงแต่งความเบิกบานก็เกิดขึ้นตรงนั้นแ่ะความตื่น่มันเป็นผู้ดูก็เกิดขึ้นตรงนั้นแหะการปฏิบัตินะ ทั้งเบื้องต้นก็ดีท่ามกลางก็ดีที่สุดก็ดีให้รู้สึกล้วนๆอย่างนี้ไปเถอะมันจะเกิดปัญญามัมนจะรู้เองโดยที่ไม่ต้องมีคําพูดรู้โดยสัมผัสว่าอ๋อืมผู้นี้จะพูดไม่ค่อยเก่งอะ่ะไม่ค่อยมีองค์ความรู้จะพูดแต่มันมีอะไรอยู่ในใจแล้วมันมีอยู่ในใจแล้วแต่พูดไม่ได้ถ้าพูดเนี่ยมันจะมันจะฟุ้งในธรรมไม่จเจริญในธรรมแล้วฟุ้งในธรรมมันจะอืมแล้วก็จะแม่เขพูดอะไร จะมีความเบิกบานอยู่ไม่ยอมไปพูดเพราะเก็บกดบางทีมันขี้เกียจพูดแต่ถึงคราวก็พูดได้แนะนําได้อาศัยสมมุตินั้นคนที่เอาภาวะที่ผ่องใสนั้นมาอธิบายให้ฟังให้คุณเข้าใจได้เนี่ยมันเป็นคนที่ไม่ปกติคือคนที่มีความเฉลียวฉลาดมากมายสามารถเอาสิ่งที่ไม่มีภาษามาพูดได้เป็นภาษาเราเข้าใจได้ ภาษาบางทีมันอัตคัดเตี้ยใช้กับไอ้ภาวะตรงนั้นน่ะมันอัตคัดภาษาจึงต้องให้สัมผัสเองสันทิตโกพระธรรมเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองตรงนี้ลหละจึงให้สัมผัสจากการรู้ตรงนี้ไปก่อนทั้งเริ่มต้นขณะปฏิบัติก็รู้เฉยๆในท้ำกลางที่สังเกตสลาวธรรมก็แค่รู้เฉยๆมันก็จะไม่ติดอยู่กับสลาวธรรมนั้ น, น, น พรสุดท้ายก่อนจิตที่จะเห็นไตร ล, ลักษณ์หรือปล่อยวางหรือจิตที่เข้าสู่นิพพานหรือเห็นนิพพานที่ปรากฏขึ้นก็แค่รู้เฉยๆตั้งขนาด น, นะนะเครื่องมือเดียวคือรู้สึกเฉยๆผ่านไปเรื่อยๆเห็นไหมมีปากกาด้ามเดียวเขียนได้ตลอดทั้งโลกไปประเทศไหนก็เขียนปากกาด้ามเนี่ยไปต่างประเทศก็เขียนด้ามเนี่ยไปเมืองหนาวก็ปากกาด้ามเนี่ยการปฏิบัติทั้งหมดก็รู้สึกตัวอย่างเนี้ย อย่างเดียวนั่นเองเข้าไปถึงตัวนี้อันนี้เป็นการปฏิบัติถ้าเราไม่ทอแท้นะจิตสติไปเรื่อยๆจะอาศัยจากการทําในรูปแบบอย่างนี้แหละแล้วก็เอาไปต่อโดยการใช้ชีวิตเป็นกิ จ, จวัตรประจำวันให้เติมความสุขร้วนนี้ไปเรื่อยๆจิตมันจะเข้มแข็งสติจะเข้มแข็งและจะตั้งมั่นยิ่งขึ้นแล้วที่ก็จะง่า ย, ยากับการปฏิบัติล้ มันง่ายเพราะอะไรเพราะว่าบางทีไม่เจตนาทำไม่เจตนาสร้างไม่เจตนาจรารสติสติก็เกิดขึ้นเองได้สติก็เกิดขึ้นเองตรงเนี้ยตรงทำบ่อยๆนี่แหละให้ต่อนเนื่องนี่แหละการปฏิบัติจะง่ายจิตจะสงบได้ง่ายจะไม่ค่อยฟุ้งซ่านจะเป็นที่ไม่วุ่นวายจิตสงบจิตที่เป็นปกติก็เป็นจิตเดิมเดิมอีกแหละจิตเดิมเมเนี่ยเป็นจิตที่ทํางานได้ดีมาก จะแก้ปัญหาแล้วแก้ปัญหาได้ดีแม้ว่าแก้ปัญหาข้างนอกไม่ได้ก็แก้ปัญหาใจไม่ให้ทุกข์ได้เป็นความสุขที่ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนหรอกมันอยู่มีอยู่แล้วในจิตใจเรานอกจากเราไม่เอาเพราะว่เนียให้มันปรากฏขึ้นมาเราไมีแต่การคิดปรุงแต่งทำอย่างนี้เพื่ออย่างนั้นทำอย่างนี้เพื่อห้ได้อะไรยังไม่จะ่ทำเลยจะได้นะเริ่มต้นจากไม่ได้ไม่เอา ไม่เป็นไม่มีก่อนสิพิกก็รู้สึกพอแล้วมันได้อยู่แล้วในตัวมันได้ความบริสุทธิ์อยู่แล้วอย่าไปหวังว่าจะได้เจากการปฏิบัติเลยให้เริ่มต้นเฉยอย่างนี้แหละมันก็ได้อยู่แล้วผล ม, มันเกิดจากการสร้างตัวนี้แหละและต่อไปไม่ต้องสร้างมันสร้างเองโดยธรรมชาติอย่าไปทําแล้วจะต้องได้อะไรแล้วก็เครียดแล้วสิทาไปเถอะสิ่งนี้เป็นสิ่งดีทําแบบไม่ต้องการอะไรไม่เอาอะไรเดี๋ยวมันก็ได้อะไรมากมายโดยที่เราไม่ต้องการมันก็ได้เห็นไหม เรอยากได้อะไรเสินะั้นมักไม่ค่อยได้แต่เมื่อไม่อยากได้เราเต็มบ้านเลยออย่างนี้บางสิการปฏิบัติเนี่ยมันต้องแบบนี้นะเราจรึงจะได้คําตอบมันมีแต่คาตอบคําตอบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหลักของการเจริญสติคือการมีสติขยนันรุ้นเรไปที่กายก่อนเราก็จะใส่อ็นสภาวธรรมมากมายรู้กายล้วนๆเอาแค่หนึ่งเดียวก่อนเดี๋ยวจะมีเวทนา มีจิตมีความคิดมีกุศลอกุศลมันเกิดขึ้นไหมเราเห็นเองโดยที่เราไม่ต้องไปหามันมาให้เรารู้เองมันเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ออกมาเองเพราะสิ่งนี้อยากจะปรากฏอยู่แล้วแต่เรามัวจะไปต้องการมากมายมันก็เลยไม่ปรากฏสภาพเราต่างเกิดขึ้นมากมายแม้กระทั่งมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นจากการที่เรารู้สึกเฉยๆลว้ลวนมันอยู่แล้วในจิตในใจเรา ทำตรงนี้หนึ่งเดียวคือรู้สึกเฉยหนึ่งเดียวมันไม่วุ่นวายแล้วนะเจอเห็นกายขึ้นไหวก็รู้แล้วก็ผ่านเห็นจิตมันคิดก็รู้แล้วก็ผ่านเห็นจิตมันเพ่งก็รู้แล้วก็ผ่านเห็นจิตมันเผลอรู้แล้วก็ผ่านก็ผ่านไปดูเธอว่าไอ้จิตที่มันผ่านเฉยๆอย่างนี้ล่ะมันจะมีความจิตมันจะมีความผ่องใสยอยู่ในนั้นนะเพราะนั้นการจะปฏิบัติธรรมนะนะนะ กาจะทําอะไรก็ตามให้เราตั้งใจตั้งใจตามเพื่อเป็นการสร้างเหตุซะก่อนต้องทําตรงนี้ก่อนใครจะว่าเราเจตนาเราบังคับอะไรต้องทําตรงนี้ก่อนมันต้องเริ่มต้นก่อนเนีเริ่มต้นก่อนเหมือนนักมวยที่ชกกระสอบเหมือนนักปีนที่น็นอกบอร์ด <c oughs> ก็ว่เริ่มต้นที่จะลงแข่งขันใช่ไหม <c oughs> เนี่ยเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนีแล้วก็ต้องขอให้เริ่มด้วยความ ชอบใจแล้วก็พอใจถ้าเราทําแบบไม่ชอบใจไม่พอใจเราก็จะไม่ได้ผลอะไรชอบมีศรัทธานในการทําก็ทําต่อไปเนี่ยงานแล้วก็ตามแม้แต่การปฏิบททัติธรรมถ้าเราชอบสิ่งนี้นั้นชอบทําสิ่งนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีพลังแห่งความเพียนขึ้นมาเองไม่ต้องไปข ย, นยันอะไรหรอกเราชอบสิ่งที่เราทําเถอะเดี๋ยวมันก็จะหมั่นทำเรื่อยๆนะแล้วมันก็จะมีความสุขในการปฏิบัตินะ แต่เราเบื่อหนายเต็งไม่ชอบมันก็ไม่อยากทำไม่อยากทำมันก็ไม่ได้ทำมันก็จะไม่ได้อะไรนะบางคนเราต้องชอบทำบางคั้งมันชอบทานะเนี่ยไม่รู้ว่าชอบไปทำไมเอาทำไปแล้วมันเห็นได้อะไรเลยชอบเพื่อจะให้ได้อะไรพอไม่ได้อะไรก็ท้อแท้ไม่เอาแล้วมันก็เข้าเรียกเข้าอีรอยเดิมเมื่อมันไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรหรอกเราได้ทำในสิ่งที่ ดีที่สุดในชีวิตของเราแล้วได้ปฏิบัติบูชาได้สั่งสมศีลสมาธิปัญญามันก็ได้ถ้ามองว่าสิ่งนั้นมันสิ่งที่เราได้ถ้ามองว่าไม่ได้อะไรเพราะจิตปฏิเสธว่าไม่ได้อะไรแม้สิ่งนั้นได้บางสก็หลุดลอยไปสิ่งที่ควรจะได้ก็หลุดลอยไปเพราะเรามองว่าไม่ได้ได้แล้วเนี่ยได้ทาได้มาได้เห็นได้ปฏิบัติเอาอย่างไรชีวิตเนี่ยมองปัจจุบันก่อนนะ ผนอนาคตเนี่ยให้มันปรากฏทีหลังสร้างเหตุเอาไว้เหตุตัวนี้แหละมันจะไป็ส่งผลให้เกิดผลธรรมะปฏิบัติเนี่ยเขาไม่พูดกันมากหรอมันต้องมีการปฏิบัติให้มากพูดไปกไ็ได้แค่ฟังเนี่อรู้จํารู้จักแต่ถ้าได้ลองสัมผัสเนี่ยมันก็จะรู้แจ้งแล้วก็รู้จริงนะอย่างที่หลวงพ่อเทียนบอกนีมันเกิดความสงสยัยก็รู้มันเท่านั้นเอง แล้วก็ผ่านไปอย่าไปหาคำตอบแต่ก็อยากจะเปิดโอกาสให้ซักถามใครมีสักถามสักหน่อยไหมซักสองสามคำถามก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไ, ไหม <c oughs> ถามเรื่องการปฏิบัติอะสิ่งที่พูดเดี๋ยวพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเราสนใจตรงไหนอาจจะไม่มีในตัวเราแต่ว่า เราสามารถที่จะเข้าถึงตรงนั้นได้แม้การซักถามก็เป็นจุดนำไปสู่ตรงนั้นได้เหมือนกันกับขอญาดอาจารย์นะครับท่านที่มีคำถามนะครับยกยกมือขอมาได้นะครับขออนุญาตเรียนถามนะคะว่าคือจริงๆถ้าถ้าเราทำงานแล้วเราชอบเนี่ยก็อย่างที่ท่ทานได้กรุณาแนะนำาค่ะว่าเราก็จะทำแล้วเกิดความเพียรด้วยตัวเองแล้วก็มีความสุขเอง ทีนี้ในชีวิตประจําวันถ้าเราทํางานด้วยกันกับเพื่อนๆแล้วทําอย่างไรเราถึงจะพยายามให้เขาได้รู้สึกว่าเราเริ่มจากการชอบน่าจะเป็นสิ่งที่ที่ดีอะค่ะทำอย่างไรเราถึงจะจะชี้หรือว่าแนะหรือจูงใจวิธีปฏิบัติให้ให้เพื่อนๆ เ, เราทําเริ่มต้นด้วยความชอบอะค่ะแล้วก็ชอบไปก็เห็นได้สิ ด้วยเราชอบแล้เวเขาก็จะชอบแบบเราเริ่มต้นนะสัมผัสจากการได้ยินได้ฟังแนละ้วก็เข้ามาใกล้เธอทันยังไงจริจะชอบงานใช่หไหมเราเริ่มเผยเคล็ดลับได้แล้วเนี่ยก็แค่นั้นเองแล้วก็บอกไปเราชอบอย่างไรและทําอย่างไรแล้วผลปรากฏเป็นอย่างไรก็บอกจากประสบการณ์ของเราใช่หไหมเมื่อยังธรรมะเนี่ยเราเริ่มต้นจากศรัทธาใช่ไหมศรัทธาแล้วทําไงก็หาการยานามิตร ตอนนี้ก็เข้าทางการยลามิธเลยแนะนำเออมันดีแล้วก็ไปไปฏิบัติตามแล้วผลก็ปรากฏดังที่พระพุทธเจ้าได้ทากับสาวกทั้งหลายศรัท ธ, ธาก่อนเราต้องทําชอบในการทําชอบนี่คือความผลคือความสดใสเบิกบานมีความสุขไม่ใช่แกล้งทําชอบมันเหมือนไม่มีชีวิตชีวาชอบจริงๆทาได้จริงๆและสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องกลัวหรอก เราหวงเท่าไหร่เถิดได้มีคนเข้ามาหามากมายต่อไปเราตั้งปริญธามาเราชอบตรงนี้แล้วรู้ตรงนี้แล้วจะไม่บอกใครเนี่ยมันอดไม่ได้หรอกคนรู้คนนี้มาก็ต้องบอกแบ่งปันกับชอบให้เขาเห็นอยากใจเขาดีก็ทําดีเขาดูก็เ <c oughs> <c oughs> ท่านั้นเองแล้วเขาก็จะมาสนใจแล้วก็ค่อยๆนำสิ่งที่ดีไปนะง่าย ไ, ไหมทําให้เขาดูก่อนเป็นตัวอย่างแล้วเขาก็จะทําตามเราเอง พ่อแม่จะเป็นต้นแบบของลูกครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบของลูกศิษย์ศิษย์จึงเข้าใกล้ลูกจึงเคารพพ่อแม่ <c oughs> แต่ชอบในทางที่ดีนะเราจะได้แนะนําทางที่ดีครับ ข, ขอบคุณค่ะขอเรียนถามอาจารย์ค่ะมีวันหนึ่งฟังซีดีของหลวงปู่ชาท่านพูดถึงว่าที่ที่มีความวุ่นวายนั้นคือมีความสงบ เสร็จแล้วมันก็สอดคล้องกับเหตุการณ์วุ่นวายในบ้านเมืองแลาก็เราก็จิตล้วก็นึกแวบไปถึงตรงนู้นตรงนู้นเนี่ยมีความวุ่นวายและความสงบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็เลยไม่เข้าใจความหมายของหลวงปู่ชาที่ที่บอกว่าที่ใดที่มีความวุ่นวายที่นั่นที่มีความสงบค่ะจะรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายเริ่มเขาใกล้เลยนะเออเธอความวุ่นวายนั้นอยู่ข้างนอก แต่ความสงบอยู่ข้างในคือหมายถึงที่ใจเราคนที่มีใจที่สงบที่มีสติมีความเป็นปกติเนี่ยแม้อยู่ในถ้ำความวุ่นวายก็มีแต่ความสงบอยู่เสมอเสมอวุ่นวายเป็นเรื่องของข้างนอกแต่ความสงบเรื่องของจิตใจปัญหาเป็นเรื่องของข้างนอกความไม่ทุกข์เป็นเรื่องของใจ <c oughs> ก็เข้าไปช่วยแก้ไขถ้ามีความจำเป็นเขาจะบอกว่าปัญหาบางอย่างมันแก้ไขไม่ได้แต่ใจเราไม่ทุกนีแก้ได้ ที่จริงผมยังไม่บอกว่ามันคือความวุ่นวายนะมันไม่ใช่ความวุ่นวายหรอกมันเป็นเรื่องธรรมดามันมีประเทศไหนที่มันไม่วุ่นวายมั่งมันก็ธรรมดามีโลกไหนที่ไม่สงบมั่งโลกแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นไปใ น, นความเสื่อมความทําลายโลกนี้เกิดจากการแตกตัวของดวงอาทิตย์ก็มาจากความระเบิดบึ้มบ้ามมาอยู่ในโลกนี้เท่งนั้นแหละใช่ไหมเพราะนั้นทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดา ผมมองแล้วมันไม่ใช่ความวุ่นวายมันไม่ใช่ความเป็นผิดปกติมันมเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรามองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยใจเราจะสงบกับสิ่งนั้นแม้แต่าการเจริญสติแม้แต่ความคิดแม้มันฟุ้งซ่านมากก็มองมาเป็นความฟุ้งซ่านมันก็ฟุ้งซ่านในใจเราโอ้ธรรมดาจิตมันต้องคิดมันต้องขยันคิดเนี่ยดีนะมันคิดมากทําให้เรามีความรู้มากจิตยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจิตแล้วก็สงบด้วยปัญญา ไม่ใช่ไปสยบให้กล้อเงียบหรือสยบใจให้สงบไม่ใช่ให้รู้ความยิงโอ้มันธรรมดาธรรมดาไหม <c oughs> มันธรรมดานะถ้ามองมันธรรมดาแล้วทุกอย่างก็ธรรมดาจิตมันจะวุ่นวายมากเพราะอ๋อนี่จิตมันก็ต้องบไวบไปตามเรื่องรล่านะเพราะเราไม่ได้ฝึกจิตเอาไว้จิตเรายังไม่ตั้งมั่นเพราสติเราน้อยเป็นหน่อยให้เป็นไรหรอเนี่ยเราต้องมีสติเอาไว้ เผชิญหน้ากับจิตของเราให้สบายสงบถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยข้างนอกมันก็สงบได้เหมือนกันนะเห็ไหม่ในบ้านเราเนี่ยพ่อก็ปวนแม่ก็ปวนลูกก็ปวนถ้าเราเป็นคนเป็นคนรับใช้สักคนหนึ่งที่สงบเนี่ยเขาก็อาจจะหันมามองและเกรงใจเราได้เหมือนกันนะมันรู้สึกละอายอเราวุ่นวายแต่คนนั้นเขานั่งเงียบเฉยมันท้องไม่รู้ร้อนแต่เขารู้แต่เขาไม่ร้อนอะ่ะ <c oughs> เป็นทองที่รู้แต่ไม่ร้อน ไม่จะทอไม่รู้ร้อนแค่นี้ก็สงบไปนะมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราจะ่าไปทุกข์กับสิ่งนั้นเราช่วยอะไรได้บ้างลนะ่ะยังช่วยไม่ได้เอาช่วยใจก่อนเนี่ยเห็น่ะมันหาเรื่องช่วยช่วยใจไม่ให้ทุกข์กันแล้วก็ช่วยบอกคนอื่นเนี่ยช่วยบอกคนอื่นเน้นหนักเข้ามันก็ค่อยๆไปตีโอคนนั้นก็รู้คนนี้ก็รู้นนก็เลยบอกจิตก็สงบได้